ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายแต่รมประปัญญาได้นําเสนอเรื่องความทุกสองกลุ่มคือทุกประเภทที่เรียกว่าสภาวะทุกคือเกิดแก่ตายกับทุกประเภทที่เรียกว่าทุกจรหรือประกิจในการทุกคือทุกเบตเตอร์เลตเรือว่าทุกจรมาสิงชุ ง, งจําแนกแสดงไว้อย่างนี้ทุกที ถ้าทรงอธิบายโดยวิจิตพิศดา น, นะครแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายโดยย่ออุปท า, านอาคารทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์คือสรุปประทุกทั้งหมดที่เราว่ามาตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มีอุปาทานอุปท า, านเป็นชื่อเรียกกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจเรา คือจิตที่ไปกำหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นกำหนดสถานะของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไปยึดเราถ้าท่านฟังลองสังเกตนะครับว่าอาการเหล่านี้สมมติว่าเราเห็นของอย่างใดอย่างหนึ่งในครั้งแรกเนี่ยเร า, า จ, จะรู้สึกเฉยๆก็ไม่ถึงกับพอใจไม่ถึงกับไม่พอใจแต่หลังจากมีการพิสูจน์ตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นมีชิมมีดูอะไรก็ตามนะ ถ้าเราเกิดความพอใจแล้วก็ปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองก็แสดงว่าเป็นอาการของตัณหาแล้วก็ริ้นรนขวนขวายจนถึงจุดหนึ่งก็ได้ได้มาก็ครอบครองก็มีความรู้สึกว่าเป็นของเราแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ยึดติดว่บสิ่งนั้นเป็นของเรา ก็ปรารถนาให้สิ่งนั้นคนนั้นสัตว์นั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเป็นของเรานะเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีเราก็ดีใจแต่เป็นไปในทางเสื่อมเช่นบาดเจ็บล้มตายพลาดปราศสูญเสียต่างๆเราจะเกิดความโศกเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ถ้าจิตไม่ยึดเนี่ย ไม่ยึดว่าเป็นของเราไม่ยึดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยอาการความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนในโลกนี้มันตายอยู่ทุกขณะนะเจ็บกันอยู่ทุกขณะะแล้วก็ว่าพราดสูญเสียกันอยู่ทุกขณะประสบความทุกข์ทางกายทางใจหรือว่าผลกระทัทงสองฝ่ายนี่ยก็มีอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดแกเ่เราเรานั้นเองคือเกิดขึ้นแกคนบางคน ตัวอย่างเช่นสมมติวความตายเนี่ยแตเกิดขึ้นแก่คนทึ่งเราไม่ได้ปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็เฉยๆแต่ถ้าเรามีความรู้สึกไม่ชอบเขาเราก็จะดีใจแต่ถ้าคนนั้นเรารักเราปลูกพันธ์เรายึดถือเป็นญาติเราพ่อเราพี่เราน้องเราลูกเราหลานเราอะไรเนี่ย เ, เราเข้าไปบวกข้าเนี่ยเราก็เกิดความทุกข์ความทุกข์มันก็เกิดที่ตัวขันซึ่งเราไปยึด เช่นว่ารูปของเราแล้วก็ต้องการในรูปของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราก็เกิดสุขเวทนาถ้าเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีเราเกิดทุกขเวทนาถ้าถาวมารูปนั้นมาเท่าถ้ารูปนั้นไม่ใช่ของเราล่ะความรู้สึกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เราก็ตอบว่ามันไม่เกิดเกิแสดงที่เกิดอาการอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอุปาทานเพราะฉะนั้นอุปาทานเนี่ยท่านจึงเรียก กำหนดไว้เป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งี่ไม่เรียกอุปาทานแต่เรียกกาหะก็คืออุปาทานเหมือนกันนะฮะญาหะคือ ก, การเข้าไปจับเข้าไปถือนะฮะเข้าไปยึดไว้อุปาทานก็เหมือนกันนะฮะลักษณะการยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นการพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่ว่าจำนวนไม่เท่ากันในการที่จำนวนไม่เท่ากันเนี่ยไม่ต้องไปติดใจในรายละเอียดนะ เพราะจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มของกิลเลสด้วยกันก็ในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างกลุ่มอุปาทานสี่นะฮะอุปาทานสี่กลุ่มแรกเรียว ก, กว่ามุปาทานถือมั่นโดยอำนาจความใคร่หรือความรักใคร่พอใจยินดีปรารถนาต้องการนะฮะพูดง่ายว่าไปยึดด้วยความรักหรือความพอใจยินดีเนี่ย ตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกดังกล่าวแล้วคือถ้าสิ่งที่เรารักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราจะเกิดชื่นชมโสมานั่แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนี่เราก็จะเกิดทุกตรงนี้ถ้าเราไม่ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เ, เราจะทุกหรือไม่ก็ตอบว่าไม่ทุกดังกล่าวแล้วก็อีกแนวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าที่ถูกปาทานคือยึดถือด้วยอำนาจของความเห็น ความเห็นตัวเองก็พอใจติดใจสยบติดอยู่กับความเห็นเรานั้นแล้วก็ต้องการให้คนอื่นหเห็นตามที่เราเห็นคือถ้าคนอื่นก็เห็นตามที่เราเห็นนะฮะคนอื่นคล้อยตามกันเรากเกิดชอบเขาทีนี้ถ้าความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยเราจะเกิดโทสะเพราะในสิ่งที่เราชอบมันก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้า ค, ความมาถ้าเป็นไปตามที่เราต้องการเราจะเกิดความสุขใจความดีใจ แต่ถ้าใครมีขัดควางริดรอนตัดรอนเลีวก็เกโทสาในตัวคนเราเองเพราะถึงความเห็นมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐุ ป, ปาทานคือถือมั่นโดยอำนาจความคิดความเห็นของตัวเองก้อนนี้ถ้าเราลองสังเกตว่าตัวอย่างที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องการไปรูปการศึกษาที่เข้ามาไปที่รูปเอาพระพุทธศาสนาไปไว้ภายใต้กัน ตรวจสอบติดตามประเมินผลของคณะกรรมการซึ่งมีาศาสนาอื่นอยู่ด้วยเนี่ยมันที่จริงมันเป็นเรื่องของความเห็นเขาเห็นว่าเขาถูกต้องแต่เราก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าจะยุติธรรมก็คือว่าต่างคนต่างบริหารของตัวเองหรือไม่งั้นก็ต้องโอนย้ายทุกของาศาสนานี่มาอยู่ในที่เดียวกันและบริหารร่วมกันซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรือจะมีความขัดแย้งกัน เอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งไปบริหารศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ไม่ถูกต้องเอาทุกศาสนามาร่วมกันบริหารทุกศาสนาก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าแยกกันต่างคนต่างกันต่างบริหารรับผิดชอบในส่วนศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายนั่นคือความถูกต้องเป็นการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละศาสนาเท่นั้นส่วนประเด็นที่เราโต้แย้งก็คือประเด็นที่ว่า ศาสนาอื่นไม่ถูกบริหารโดยคณะกรรมาการศาสนาก็ดีศิลปะก็ดีวัฒนธรรมก็ดีส่วนอื่นนะฮะไม่ถูกบริหาร ด, าด้วยคณะกรรมาการชุดนี้แต่ว่าทําไมมันบริหารพระพุทธศาสนานั่นคือประเด็นแล้วเขาก็ไม่พยายามเข้าใจในประเด็นตรงนี้หลบประเด็นไปเรื่อยๆนะและในสุดมันก็เกิดเป็นความขัดแย้งเขาอาจจะถือว่าเขาถูกเราก็ถือว่าเราถูก แต่เราถูกระมีกฎเกณฑ์นะฮะว่าความเป็นมาของาศาสนาพุทธในสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยไม่เคยถูกบริหารโดยาศาสนาอื่นในช่วงใดก็ตามที่าศาสนาพุทธไปอยู่ในเนื้อ ม, มือของาศาสนาอื่นาศาสนาพุทธจะเป็นอันตรายดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะที่พระพุทธรูปเราอยู่ในเนื้อมมือของพวกนับถือาศาสนาอื่นที่อากาศนิสถาน เห็นไหมเขายิงไปเดือๆทุบทำลายไปเดือดระเบิดเสืเดือดทันหนึ่ง น, นี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนถึงก็บเขาเห็นกันอยู่แล้วนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรหรือว่าคราวที่เมื่อมีประลัดกระทรวงรัฐมนตรีเคยนับถือศาสนาอื่นเราจะเห็นว่าวิชาหน้าที่บุรเมืองศีลธรรมได้หายไปมากลายเป็นศึกษาจริยศาสตร์สากล จรยธรรมสากลนะฮะทำให้คนไม่รู้สึกผูกพันกับศาสนาปฏิวัติว่าตัวเองปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลแล้วก็ความเสื่อมต่งตางๆมันก็สยายผลออกมาอย่างที่เราเห็นกั น, นแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มองเพราะที่ถูกประทาเนี่ยบางทีบังกลายเป็นความรุนแรงคือนำไปสู่ความแตกแยกการต่อสู้หักล้างกัน นะการต่อสู้ระบบประชาธิปไตยกับคอมมินิสต์เนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกมาเมื่อแปดสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่อื่นไปจากความเห็นที่ไม่ตรงกัน ท, ที่ไม่ตรงกันหมายความแต่ละฝ่ายก็ยึดมั่นในทิฐิของตัวเองแล้วก็กระจายความทุกข์ออกไปกระทบถึงคนอื่นซึ่งไม่รู้ห น, นูเนะสร้างเป็นศึกสงครามเกิดความพลดัพลดพรากสูญเสียเดือดร้อนบาดเจ็บล้นตายพิกลพิการกันด้วยความ โดยประการต่างๆในส่วนต่างๆของโลกเวลานี้เราก็ยังเห็นอยู่นะนั่นคืออะไรก็คือว่าแต่ละฝ่ายต่างยึดมั่นถือมั่นโดยทิ่ถูก ป, ประทานือถือมั่นโดยความเห็นของตัวเองแล้วทุกคนต้องเห็นอย่างที่ตัวเองเห็นนะถ้าไม่เห็นในที่ตัวเองเห็นก็กลายเป็นผู้ทรยศเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยเคยจับคุมคุมขังลงโทษจนถึงการยิงป้าคนซึ่งมีความคิดเห็นมีการกระทำํำตีเป็นของมนิษย์ แสดงอะไรแสดงความเห็นไม่ตรงกันไม่ตรงกันตัวเองแนละ้วถามว่าคนประชาธิปไตยในี่ถูกข่านในประเทศคอมมิวนิสต์ไหมไอันั้นยิ่งมากเกลิกเลยถามาเรื่องอะไรความเห็นไม่ลงกันเรื่องใหญ่นะฮะเราจะเห็นว่ากิเลสพวกพวกเหล่านี่ยที่จริงมันเป็นอาการที่มาจาพกพตัญหาอะไ ร, ต, ระต่างๆนี่พวกตัญหาก็ได้พวกถึงโรคปดลงก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกนีประการต่อไปเขาเรียกว่าศีลรับปรตูปฐานคือถือมั่นด้วยศีลด้วยวัา หรือข้อปฏิบัติแล้วก็ถือว่าปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องปฏิบัติอย่างอื่นไม่ถูกต้องซึ่งมันเรื่องเนี้ยไร้สาระอยู่เยอะเช่ในบ้านเราเนี่ยเราเห็นว่าเราตกเฉียงในประเด็นเดีว่วต้องยุบหนอพองหนอเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องต้องสัมมาหลังเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องต้องพุทโธเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องหรือว่าต้องนับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเพียงถูกต้องไม่ต้นเนี่ยไม่ได้จริงนะนอกเรื่องไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือในการให้จิตมันเกาะยึดเหนี่ยว ถึงการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาของบุคคลขึ้นมาโดยใช้ความเพียรพยายามเป็นพลังในงการขับเคลื่อนก็เท่านั้นเองใครทำอย่างไรก็ได้ปัญห า, าว่าคุณสงบนิบวรณได้ไหมถ้าสงบนิวรได้คุณก็เป็นสมถกรรมฐา น, น, าานแต่คุณใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้นแน่นอนของสาสตร์ของสังขารทั้งหลายตามกดของปัจจัยลักคุณก็เป็นการวิปัสสนา ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะตัวที่นำมาพิจารณานั้นคืออคือเขาเรียกว่าเป็นศีลรัพตุปาทานคือถือมั่นโดยศีล้ดยวัดโดยการบิบัติของตนเนี่ยแล้วในที่สุดก็อาจจะต้องบังคับเขี้ยวเข็นขค่มขู่คุกาคามบุคคลอื่นที่ไม่มีความเห็นตรงกับตัวเองแล้วก็นำไปสูป่ปัญหาความขัดแย้งในด้านต่างๆได้จิงเดียวกันดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ เป็นเหตุได้เกิดความทุกข์จริงๆนะฮะเหตุได้เกิดความทุกข์จริงๆมันก็อยู่ในนั้นนะทีนี้ไอ้สิ่งที่เราไปยึดมันคืออะไรก็คือขันห้าเห็นไหมความเห็นเนี่ยมันก็คือพวกเจตสิกธรรมตัวสังขารทั้งหลายเนี่ยก็ามหมันก็เป็นสังขารหนึ่งๆเรายึดมั่นถือมั่นในสังขารเ่านั้นแล้วก็ประการต่อไปคืออัตวาทุปาทานถือมั่นว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นเนี่ยนะเดี๋ยวให้ความตระกัรแก่ตนเอง ตัวนี้ก็นำไปสู่ความขัดแยง้งนำไปสู่ปัญหาสารพัดได้แต่ว่าสิ่งที่ถูกยึดเนี่ยเราจะเห็นว่าคือคือจริงๆ ร, งรงิโลกอนุษย์มันก็เป็นการห้ามหนึ่งในตัวเราทั้งหมดเนี่ยร่างกายสังขารร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นรูปเป็นรูปประขันที่เราไปยึดถือว่า ยึดถอว่าเป็นของเราก็มีปัญหายึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็มีปัญหายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่แท้ทาวาไม่แปรผันมาก็ดึงปัญหามาสู่ตัวเองแต่ว่าความเป็นโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ยมันก็ต้องยึดมั่นถือมั่นในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าทํายังไงว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในมากเกินไปบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นตรงเสียบ้างนะ เราทามาอย่างนั้นแล้วมันจะเพิ่มปูนปัญหาแก่ตัวเองมากยิ่งขึ้นเวทนาความสเสะวยอารมณ์เรารู้สึกว่าเราเราเป็นทุกข์เราเป็นสุขเห็นไหมฮะเราเ ร, าเ ร, าร้สึกว่าเราเป็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยเราจะเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นทุกข์ก็จะคับแค้นอึดอัดขัดข้องโดยประการต่างๆเอาเราไปบวกนะฮะถ้าเราเอาไม่เอาเราไปบวกไม่มีปัญหาอะไรแล้ว แล้วคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดประวร น, นีิเวศวิหารผมรัชวงศ์ชุด น, นะนานมาแล้ว3ามสิบกว่าปีแล้วนะท่านถูกผ่าตัดแต่หมอผ่าตัดเอารำไส้ออกมาไว้ข้างนอกท่านบอกว่าเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวท่านไม่สนประเทศไทยท่าไม่เด็ดร้อนอะไรทำอะไรก็ทำไปอังทีท่านก็ขอดูด้วยนั่นคือพ้ะไทยเนี่ยมันแยกออกจากกาย คือไม่ได้ยึดไม่ไปยึดมันว่ากายของเรานี้ครูบาอาจารย์บางท่านที่เป็นอาจารย์กรรมฐานเวลาป่าตัดท่านเนี่ยท่านไม่ให้ฉีดยาชาเนี่ท่านอยากจะดูท่านอยากจะดูเวทนาจะอยากดูการป่าตัดแต่ท่านก็นอนดูเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องฉีดยาสลบไม่ต้องวางยาอะไรก็ทําไปเลยอนุญาตได้ทำเอาก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานคือท่าไม่ยึดถือว่ากายกันแน่ แยกกายออกไปจากจิตจิตมันกายมันมีเวทนามีการสั่อารมณ์เป็นทุกข์เป็นทุกข์กายนะฮะแต่ใจไม่ยึดถือว่าฉันทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์ย๋ยากจะยกตัวอย่างไว้ในวันก่อนทือว่าปัญหาว่าความรู้สึกต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งเหล่านั้นและเรารู้สึกยังไงแต่เรารู้สึกด้วยอำนาจของตัณหาว่าเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์ เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนู้นอย่างนู้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นนะแล้วก็คนยอมรับเรงถือสถานะที่เราเป็นเราก็เป็นสุขที่คนยอมรับเรงถือสถานะตรงนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดวิพวกษ์วาและเกิดเบื่อจะไม่อยากเป็นอยากเป็นสูงขึ้นไปนะพอได้มันก็จะเป็นทุกขในการดูแลรักษาถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกในการไม่ได้จะ แ, แสดงว่า จิตที่เป็นเช่นเนี้ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วไม่ได้ทุกข์เฉพาะอย่างนะเป็นกระบวนการของความทุกข์เลยบางทีก็เป็นอะไรนะรู้สึกเป็นดุเป็นตนอย่างที่ว่าเนี่ยในอัตวาทุปาทานทุปาทานนิถือว่าถ้าว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างนู้นตนคิดอย่างนี้อตนมีความเห็นอย่างนี้แล้วยึดมั่นถือมั่นในตัวความเห็นตรงนั้น บางครั้งนี่นำความทุกข์มันไม่ใช่ธรรมดามนำความทุกข์ไปสู่ทุกข์ในสังสารวัฏยันตัวอย่างเช่นท่านสัญชัยเวรัตบุตรอา จ, จารย์ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะครับเล่นได้ชัดนะฮะว่าท่านเป็นความเห็นที่ท่านยึดมัน่นหรือมั่นในความเห็นของท่านเองมากเกินไปในแนวของศีลับพตุปาทานแล้วก็ทิฏฐุปาทานตลอดถึงอัตวาตุปาทาน ประทานท่านมากเกินไปท่านยอมตายขาตำแหน่งคณาจารย์เจรที่ที่ไร้สาระมากคำพูดคำสอนอะไรของท่านเนี่ยเขาบอกว่าลื่นเหมือนกับปาลาไหลจับไม่ติดแต่ท่านก็ผ่อนใจที่จะแสดงความคิดความเห็นออกมาในลักษณะนั้นในขณะที่ลูกศิษย์คือภาษาริบุตรโ ม, มกข า, ารบรรลุอรหันต์เป็นระอรหันติศิษย์สองร้อยห้าสิบก็รรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ ท่านก็ตายอย่างคนไร้สาระคนหนึ่งคติพบเป็นยังไงเนี่ยทํานไม่แสดงไว้แต่สรุปว่ารู้สิทธิ์มารู้ว่าคนเป็นพระหรันเดี๋่วตัวเองเก็กลับไปอยู่อย่างนั้นนั่นคืออะไรก็คือว่าไปปักใจฝังใจยึดติดในสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยว่าเป็นสาระแล้วไปเส็ดสิ่งสซิ่งซึ่งเป็นสาระแก่สาระว่าไม่เป็นสาระ อาการเหล่าเนี้ยที่จริงถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยนะเช่นอกรรมมุปาทานก็คือกิเลสประเภทโลภะประเภทราคขะทิฏฐปาทานเนี่ยฮะที่จริงเป็นประเภทโมหะแล้วก็เป็นประเภทโลภะนะฮะถ้าเขาเห็นด้วยก็เกิดชอบถ้าไม่เห็นด้วยก็เกิดไม่ชอบสิรปตุปาทานเนี่ยเป็นอาการของโมหะที่ชัดเจนแต่ว่ัตุปาทานก็เป็นอาการโมหะนั่นแหละ แต่ว่ามันก็มีทั้งโลภะมันก็มีทั้งโทสะพร้อมที่จะเกิดขึ้นนะถ้าคนเห็นด้วยกับท่านเนี่ยท่านก็มีความโลภะคืออยากให้คนเห็นด้วยมากขึ้นแต่คนเม่นด้วยกับท่านท่านก็เกิดโทสะนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอาการทั้งหมดที่เรายึดติดพอมาถึงสัญญาก็เหมือนกันนะเวทนาสัญญาความจาของเรา เรื่องบางเรื่องนี่ที่เราจำไว้แล้วเนี่ยเป็นทุกข์เห็นไหมจำไว้แล้วเป็นสุขจำไว้แล้วก็เฉยๆแต่ถามว่าถ้าเราไม่ยึดไว้ล่ะความจำเหล่านั้นมันจะมีปัญหาไหมเช่นว่าสมมติคนด่าก็ปล่อยไปไม่จำไว้หรือจำไว้ก็ไม่ได้จดนึกมาคับแค้นมือ อ, ดอาดอะไรคำด่านั้นก็สักแต่ว่าคำดา่าไม่ได้มีอำนาจอิทธิพลอะไรที่จะสร้างความแปรผันนั้นเกิดขึ้นไปในจิตใจของตน ตัวสังขารที่ไปยึดถือนะว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นในแนวตรงนี้มันคงจะปฏิบัติเต็มที่ไม่ได้นะเรื่องใหญ่แล้วก็ยากเพราะถ้าคนถอนอุปาทานได้มันกนิพพานนะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าทำยางไงว่าลดอาการความยึดลงไปให้น้อยหน่อย ปเวนี้มันมีปัญหาบางอย่างทั้งๆ ท, ที่มันรู้ว่ามันเป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายแต่คนก็ยังวิ่งเข้าหาแบบมาแรงมากเป็นข้าวกองไฟนะเช่นปัญหาโรคเอดปัญหายาบ้าปัญหาคอร์รัปชันปัญหาของเถื่นทั้งหลายเนะี่ยตลอดทั้งปัญหาทางการศาึกษาที่เรากําลังประรุกกันว่าเป็นภัยใหญ่หลวงในสังคมปัจจุบัน ถามว่าคนเหล่านั้นเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือโทษจากสิ่งเหล่านั้นมันก็รู้ก็เห็นก็ได้ยินได้ฟังกันนะแต่ว่าอาศัยเป็นความยึดถือแล้วอาจจะต่อต้านคนอื่อเองเห็นว่าเช่นสมมุติถ้าพวกติดยาเสพติดใครไปว่าแกติดยาเสพติดแกโกรธนะโกรธอาจจะทําอันตรายออก็ได้แสแดงว่ามันมีความปฏิเสธ ไปเสร็จพติกรรมของตัวเองแต่ทีนี้ถ้าคนเหล่านั้นเขาลดความร้ายเหตุผลลงไปมีคนก็รู้เห็นว่าเราตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดก็มีคนมาบอกกล่าวแนะนำตักเตือนให้เลิกลักไปแล้วมจะมีความพอใจที่จะเลิกลักแล้วก็หมายความว่ามันอยู่ที่เราคิดยังไงอะ ถ้าเรายัางไปยึดมั่นหรือมั่นดูเราก็มีปัญหาตลอดแหละมันมาต้องรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางในเรื่องบางเรื่อง น, นะเช่นเป็นองค์รวมก็หมายความว่าพี่น้องตายไปตายก็คือตายเราไปยึดให้เป็นไม่ได้หนะรอก็รองยอมรับตามสภาพที่ก็ตายมีภาระหน้าที่อะไรบ้างของเราที่จะต้องทําต่อผู้ตายเราก็ทําทําไปเต็มกํลาลังความสามารถของเรา แล้วก็แสดงว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นทําได้อย่างนั้นเราก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นระดับต่างๆแต่ว่าแต่ละเรื่องนะให้เราสังเกตว่าเป็นกิเลส ท, ที่ค่อนข้างใหญ่เป็นอาการโลภะโทสะโมหนะนั่นแหละแต่ว่าท่านสะท้อนในแนวของโลภะกับโมหันนี้มากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้โลภะเนี่ยถ้าเราได้เราได้ตามที่เราได้เนี่ยอยากได้เนี่ยมันก็คือโลภะต่อไป แต่ถ้าเราไม่ได้ตามที่เราอยากได้เนี่ยเราจะเกิดโศกะคือความโศกทีนี้ถ te, 2, si ้าคนขัดขวางการได้การมีการเป็นก็เราเราจะเกิดโทดสักในเรื่องความเห็นก็มีลักษณะอย่างนี้นะเรามีความเห็นอย่างนี้คนอื่นเห็นตามเราก็พอใจะคนอื่นโต้แย้งเราเกิดโทดสักถ้าคนที่เรารักใคร่ผูกพันเขาเกิดไม่เห็นใจเนี่ยเรจะเกิดโศกเราจะก็มีความเห็นตรงกับเราเนี่ยเราจะเกิดโศกะ ตลอมันก็เวียงไประหว่างกิเลสกับทุกข์เนี่ยเวียงกันไปเวียงกันมาอย่างเงี้ยตลอดแต่การทำความเข้าใจในจริงม่ต้องสรสอบดูที่จิตเราแต่วจะเห็นว่าจริงๆพวกนี้ก็คือชีวิตคือวิถีชีวิตของเราปรัญหาสำคัญว่าจิตใจเราปรุงคิดคิดปรุงอย่างไงปรุงเริ่อหน้าของการหามันก็คว้าปรุงเรื่องมานะมันก็ไปยึดมันถึงมัน รูปหน้าโดยทิฐิก็ยิ่งอาการหนักเลยยิ่งยึบมันถือมั่นกันเป็นการใหญ่ชีวิตของเรานั้นเลยกลายเป็นกองทุกข์เป็นก้อนของทุกข์ที่พระวจิราเทรีภิกษุณีท่านแสดงบอกว่าทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับอันนี้เป็นความผิดระดับพระอรหันต์นะค่อนข้างยากที่เราจะทําใจได้ แต่ว่าทํำยังไงวะมันก็ลดความถือมัน่นถือมั่นลงไปด้วความยึดมัน่นถือมั่นลงไปอย่างที่ท่านบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่สุขใจถ้าถามใจตัวเองรู้ว่าเราอยากได้ความสุขหรือเราอยากได้ความทุกข์กันแน่ตัวต้องรู้จักรารู้จักปล่อยรู้จักวางในบางเรื่องที่ว่ายึดไปมันมีปัญหาเนี่ยก็ปล่อยวางกันบ้างแต่ว่า ยึดถือบางอย่างเนี่ยเป็นสำนึกสำเนีกที่จะต้องรับผิดชอบตามหนคากวรคาฐานานั้นเป็นภารากิจที่จะต้องกระทาแต่ก็ไม่ควรจะยึดมั่นหรือมั่นอะไรมากหนะักทุกฝั่งทลายแต่หลวงพ่อโพิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายดยทั่วกันสวัสดี